เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรม mm. เพื่อเป็นการสร้างสรรณะที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้มีความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆ สาระทางใจจะสามารถป้องกั น, นภัยทุกภัยเหล่านี้ได้แต่จะไม่สามารถป้องกันทุกภัยที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นภัยที่เกิดทางธรรมชาติน้ำท่วมพายุแผ่นดินถล่มหรื อ, รอความเป็นปกติของร่างกาย ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายภัยเหล่านี้เป็นภัยที่ไม่มีใครสามารถที่จะป้องกันได้เมื่อถึงเวลาก็จะต้องเกิดแต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจเช่นความหวาดกลัวความทุกข์ทรมานใจ ความเศร้าโศกเสียใจจะไม่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจนี่คือสรณะที่พวกเราทั้งหลายมาสร้างกันในวันนี้คือสรณะทางใจสรณะที่พวกเรารู้จักกันที่เราถือเป็นสรณะ ยังไม่ได้เป็นสาระที่แท้จริงเป็นเพียงตัวแทนของสาระที่แท้จริงเช่นพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาหรือพระพุทธรูปที่เราห้อยไว้ที่คอเป็นเพียงตัวแทนของพร ะ, พ, ระพุทธสาระที่แท้จริงธรรมะที่เราได้ยินได้ฟัง หรือได้ศึกษาจากหนังสือต่างๆก็ยังไม่ได้ยังไม่เป็นสารณะที่แท้จริงเป็นตัวแทนของสารณะที่แท้จริงพระอริยสมผู้บรรลุธรรมแล้วที่เรากราบไหว้บูชาท่านก็ไม่ได้เป็นสารณะสังฆะสารณะที่แท้จริงของพวกเรา กเราจะต้องสร้างสรรนาที่แท้จริงขึ้นมาภายในใจคือต้องปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อเราปฏิบัติจนบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเราก็จะเห็นพระสงฆ์ที่จะปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจของเรา หยังที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระนามที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมสรงตัดว่าผู้ที่ทรงเห็นพระวรกายของพระองค์นั้น ไม่ใช่เป็นพระองค์แท้ไม่ใช่เป็นพระสารณะเป็นเพียงสรีริร่างกายที่พระองค์ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดพระสารณะให้แก่สัตว์โลกสารณะที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์และอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนเพียงแต่ตอนนี้ถูก กิเลสเครื่องเศร้าหมองปกปิดพุ่มห่ออยู่จึงทําไม่ให้สารณะที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งของพวกเราหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การชําระใจของเราให้สะอาดเพราะเวลาใจของเราสะอาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงก็จะเปล่งรัศมีปรากฏ้ ออกมาภายในใจของเราจะทําให้ใจของเราสามารถอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบสความทุกข์เหล่านี้จะไม่เข้ามาภายในใจได้เลยเพราะใจของเรามีเกราะคุ้มครอง คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจเหลานี้เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนที่จะคอยเตือนสติให้พวกเราสร้างสาระที่แท้จริงเช่นทุกครั้งที่เราเห็นพระพุทธรูปหรือก่าวพระพุทธรูปเราควนลำเลืกถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอน ให้เราทำดีละบาปชำระใจของเราให้สะอาดเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงลืมแล้วเราจะได้ปฏิบัติเพราะถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วต่อไปพระสวัะที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจพระพุทธรูปไม่สามารถป้องกันความทุกข์ใจของเราได้หนังสือธรรมะ ก็ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ใจของเราได้พระอริยสงสาร ก, ก็ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ใจของเราได้ท่านเพียงแต่มีหน้าที่หรือมีความสามารถที่จะชี้ทางที่พาให้เราไปสู่ความดับทุกข์ได้ท่านสอนเราให้เราดับทุกข์ได้แต่เราต้องเป็นผู้ดับทุกข์เอง ไม่มีใครจะดับทุกข์ให้เราได้เพราะเราเป็นคนสร้างทุกข์ขึ้นมาเองทุกนี้เกิดจากการกร ะ, กรกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจและทุกนี้จะดับไปได้ก็ดับด้วยการกระทําทางกายวาจาใจเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติกายวาจาใจเพื่อให้ดับทุกข์ จึงเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านได้สร้างศารณของท่านเรียบร้อยแล้วท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านจึงได้มาสอนพวกเราที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัต ตามตามคำสอนของท่านตามแบบฉบับของท่านท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวท่านสอนและท่านก็ปฏิบัติ ด, ด้วยท่านทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นด้วยคำสอนของท่านจึงมีน้ำหนักเพราะว่าไม่เหมือนแม่ปูที่สอนลูกปูแม่ปูสอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ปูก็เดินเฉไปเฉมา ลูกก็เดินตามแม่เฉยไปเฉยมาเพราะการสอนที่แท้จริงนั้นก็คือการสอนด้วยการปฏิบัติตนถ้าตนเองปฏิบัติอย่างไรผู้อื่นเห็นเขาก็จะปฏิบัติตามเขาจะไม่ปฏิบัติตามคำพูดของเราเช่นเราสอนลูกไม่ให้ดื่มสราหรือสูบบุหรี่แต่เราคนสอนกับดื่มสุราและสูบบุหรี่เอง ลูกเขาก็จะไม่เชื่อเขาจะทําตามในสิ่งที่เขาเห็นเราทําเขาเห็นดื่มเหล้าดื่มสุราเขาก็จะดื่มตามเขาเห็นเราเสพสูบบุหรี่เขาก็จะสูบตามเพราะคําพูดนั้นไม่มีน้ําหนักพอไม่มีน้ําหนักเหมือนกับการกระทำเพราะพระพุทธเจ้าจึงมีคําพูดของพระพุทธเจ้าคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีน้ําหนักมาก เพราะมีการกระทำเป็นการสนับสนุนนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะสอนใครก่อนอื่นเราต้องสอนตัวเราเองก่อนเราต้องทําให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังทําไม่ได้เราไปสอนคนอื่นเขาก็จะย้อนกลับมาว่าแล้วคุณทาไมไม่สอนตัวคุณเองก่อนทำไมไม่ทํทไมไม่ทาก่อน นี่คือเรื่องของความสำคัญในการที่จะสั่งสอนผู้อื่นที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดศรัทธาต้องเกิดจากการกระทาก่อนแล้วค่อยเกิดจากการพูดต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ่าเพลนมาก่อนที่จะมาสั่งสอนสัตว์โลกพระองค์ทุ่มเทไปที่การกระทมที่การปฏิบัติ ที่การชำระกายวาจาใจของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ส่งพุ่งไปที่การทำบ learning, ทุญส่งพุ่งไปที่การละบาปและส่งพุ่งไปที่การชำระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์พอหลังจากที่พระทัยของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์แล้วพระองค์จึงค่อยออกมาสั่งสอนผู้อื่นต่อไป พอสั่งสอนผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นการกระทาของพระองค์ <c oughs> ก็เกิดศรัทธาความเชื่อและสามารถปฏิบัติตามและเห็นผลได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าเราอยากจะสอนใครเราต้องทําตัวเราให้เป็นตัวอย่างให้ได้ก่อนถ้าอยากไม่ให้ลูกดื่มสุราสูบบุหรี่เราก็ต้องไม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือไม่กระทําอะไรต่างๆที่เราไม่อยากให้ลูกของเรากระทําถ้าเรายังทําอยู่เขาเห็นเป็นตัวอย่างเขาก็จะไม่มีศรัทธาในคําสอนของเราถ้าเราอยากไม่อยากให้ลูกเราพูดคําหยาบเราก็อย่าไปพูดคําหยาบต่อนหน้าลูกเราถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราทะเลาะบอกแวง เราก็อย่าทะเลาะบอแวงต่อหน้าลูกของเราเพราะว่าการกระทาของเรานี่แหละเป็นการสอนเขาไปในตัวโดยที่ว่าเราจะบอกเขาหรือไม่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนี้เขาเรียนรู้จากเราภาษาที่เขาพูดเขาก็เรียนรู้จากเราจากการได้ยินได้ฟังที่เราพูดอาหารที่เขารับประทานก็เจอจากการที่เขา เห็นเรารับประทานเขาก็รับประทานพร้อมๆไปกับเราดังนั้นถ้าเราอยากจะสอนลูกเราให้เป็นคนดีเราก็ต้องทำตัวของเราให้เป็นคนดีก่อนแล้วลูกเขาก็จะทําตามเองนี่คือเรื่องของปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาบุญ พระ อ, องค์ก็ทรงทำบุญทำบุญอย่างเต็มที่คือได้ทรงสละพระราชสมบัติมีเงินทองมากน้อยเพียงไรมีบริสัทปบริวารมากน้อยเพียงไรพระ อ, องค์ทรงสละไปหมดเลยแม้แต่ภรรยาและพระราชโอรสพระ อ, องค์ก็ทรงสละแล้วก็ออกไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่แบบ สั ม, มณานักบวชอาศัยการบิณฑบาตเป็นอาหารเร่งชีพอาศัยการอยู่ตามถ้ำอยู่ตามโคนไม้เป็นที่อยู่อาศัยอาศัยผ้าที่เขาทิ้งแล้วตามปา่าช้าหรือตามกองขยะไปเก็บเอามาสะสมไว้พอได้ตามตามจำนวนที่ต้องการ ก็เอามาเย็บเอามาปะมาทำเป็นผ้าห่มเป็นเครื่องนุ่งห่มทรงอาศัยยาตามธรรมชาติเช่นสมุนไพรหรื อ, อยาดองด้วยน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะเป็นยารักษาโรคนี่คือวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าในการสร้างสารณนะสร้างที่พึ่ง ในพระทัยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ทรงปลีกออกจากการอยู่แบบคนในโลกอยู่กันเพราะทรงเห็นว่าไม่ได้เป็นสาระความสุขทางโลกไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นสาระที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรจะดับได้ก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเวลามีความทุกข์ใจเราก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังอะไรต่างๆก็ทำให้เราลืมความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้ชั่วคราว แต่พอเรากลับมาบ้านกลับมาเจอปัญหาเดิมความทุกข์เก่าก็จะกลับขึ้นมาอีกเพราะการไปหาความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิธีดับความทุกข์อย่างถาวรนั่นเองเพระองค์จึงทรงสละความสุขต่างๆเหล่านี้เพื่อออกไปหา สารณะที่พึ่งที่แท้จริงที่ทรงได้ศึกษาว่าต้องเกิดจากการทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าได้เลยการทำใจให้มีมีความสงบมีความสุขนั้นก็มีอยู่สองขั้นด้วยกัน ขั้นแรกก็คือการนั่งสมาธิควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้เฝ้าหรือจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าสามารถควบคุมใจให้อยู่กับการบริกรรมหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก โดย mm hmm. ที่ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆใจก็จะสงบตัวลงแล้วก็จะเกิดความสุขตามมาแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าพอออกจากสมาธิออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายทางความคิดปรุงแต่ง ใจก็จะเกิดความว่าวุ่นขุนัวขึ้นมาอีกดังนั้นหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วการที่จะรักษาใจให้สงบได้ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาคือการมองความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยไปผูกพันด้วยเราต้องมองให้เห็นว่าเขาไม่เที่ยง มีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการได้ถ้าเรามองไม่เห็นความจริงอันนี้ก็เราก็จะเกิดความอยากอยากให้เขาเป็นตามความต้องการของเรา พอเกิดความอยากใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเกิดความห่วงใ ย, ยขึ้นมาทันทีเพราะเราอยากจะให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองเราอยากจะให้เขาดีเหมือนเดิมไปตลอดสวยเหมือนเดิมไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นเหมือนเดิมไปตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปร่างกายของเราต้องเปลี่ยนไปจากสวยต่อไปก็จะต้องไม่สวยจะต้องหนังเหี่ยวยน่นผมจะต้องกลายเป็นสีขาวจากการเป็นคนดีก็จะเป็นคนไม่ดีในบางเวลาเพราะว่าในบางเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ไม่สามารถ ทำตัวเองให้เป็นคนดีได้เช่นเวลาโกรธก็ไม่สามารถทำใจให้นิ่งให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้จะหน้าบึ้งหน้างอจะพูดจาวคำที่ไม่สุภาพจะพูดด่าผู้อื่นเพราะความโกรธเนื่องจากว่าใจก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนเช่นเดียวกัน เพราะใจยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ถึงจุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอหรหันต์เท่านั้นที่จะไม่มีอารมณ์ต่างๆจะเป็นใจที่สงบนิ่งเย็นสบายดีอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์เสียอกเสียใจที่จะมา ทำให้พูดไม่ดีทำไม่ดีดังนั้นเราต้องพยายามใช้ปัญญาเวลาที่เราออกมาจากสมาธิถ้าเรายงถ้าเราอยากจะรักษาความสงบเรารักษาได้ด้วยการใช้ปัญญาพอเราอยากให้อะไรเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ต้องห้ามใจด้วยปัญญาว่า อยากไม่ได้อยากเราจะทำให้เราทุกข์ใจจะทำให้ความสงบภายในใจของเราหายไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราห้ามสิ่งต่างๆไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้ามสิ่งต่างๆไม่ให้เสื่อมไม่ให้ดับไปไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้ ปัญหาของพวกเราคือเราขาดปัญญากันเวลาเราเห็นอะไรแทนที่จะใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดเรากลับไปคิดว่าดีจะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปตลอดเราก็เลยไปขว่คว้าเอาสิ่งต่างๆมาพอได้มาแล้วเราก็เกิดความทุกข์ใจ ที่จะต้องคอยดูแลรักษาที่จะคอยรักษาไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่รักษาอย่างไรก็รักษาไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปจนในที่สุดก็จะเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้เช่นรถยนต์ที่เราซื้อมาตอนซื้อมาใหม่ๆก็อยู่ในสภาพที่ดีทุกประการ แต่พอใช้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดการเสื่อมสภาพลงไปเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนต่างๆทำให้ต้องเข้าอู่เป็นระยะระยะเข้าไปเพื่อไปซ่อมไปเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อที่จะรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แต่ใช้ไปเรื่อยๆไม่นานต่อไปก็จะหมดสภาพไป รถที่เก่าเต็มที่ไม่สามารถซ่อมได้ก็ต้องขายเป็นเศษเหล็กไปนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองหรือเป็นร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนที่เรารักเราเคารพเช่นบิดามารดา สามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิทมิสหายเป็นเหมือนกันหมดมีการเกิดแล้วต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายตามมาถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณายอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องพัดภาพจากกันเป็นธรรมดา ถ้าคอยคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจจะคลายความยึดมั่นถือมั่นใจจะคลายความอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายได้เพราะเราจะไม่ลืมนั่นเองความจริงเหล่านี้เรารู้กันอยู่แต่มันเรามักจะลืมกันเราจะไม่คิดถึงกันพอไม่คิดถึงก็เลยเป็นช่องว่าง ให้ความหลงเข้ามาทาหน้าที่แทนมาหลอกให้เราคิดว่าดีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆพอเราไม่คิดปับความหลงก็จะเข้ามาหลอกเราพอหลอกเราเราก็เลยต้องทุกข์กันต้องหวาดกลัวกันต้องวิตกกังวลกัน ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดกลัวเลยเพราะวิตกไปกังวลไปหวาดกลัวไปก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรการแก่การเจ็บการตายก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมแต่คนที่มีปัญญาสอนใจนี้จะได้เปลียบ จ, จะได้ประโยชน์พราะจะไม่กลัวจะไม่วิตกกังวลจะไม่ทุกข์ทรมานใจ คนที่ไม่สอนใจก็จะมีแต่ความหวาดกลัวความทุกข์ทรมานใจนี่คือสารณะที่ขึ้นของเราที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าดังที่พระอริยสงสาวกได้ปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างแล้วก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์สาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเรา ท่านก็มีความทุกข์ใจมีความหวาดกลัวมีความเศร้าโศกเสียใจแต่หลังจากที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาก็เลยตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติอยู่สีลักษณะด้วยกันคือสุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนยาญาปฏิปันโน สามีจิตปฏิปนโนคือปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบจนในที่สุดก็สามารถสร้างสารณะขึ้นมาภายในใจได้กลายเป็นสรณะให้แก่ผู้อื่นต่อไปคือสามารถนำเอาไปสอนผู้อื่นได้สามารถทำให้ผู้อื่นเกิดเกิดศรัทธาที่จะปฏิบั ต, ติตามได้เพราะไม่ได้สอนอย่างเดียว แต่ได้ปฏิบัติมาแล้วนี่ก็คือแบบฉบับของพวกเราคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ยืนยันว่าพวกเราก็สามารถเป็นเหมือนท่านได้เพราะก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้ พวกเราก็สามารถเป็นเหมือนท่านได้ถ้าเราทำตามที่ท่านทำเป็นตัวอย่างถ้าเราสามารถทำบุญได้อย่างเต็มที่สามารถสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองชีวิตที่เป็นคารวาสนี้แล้วออกไปอยู่ตามป่าตามเขาออกบวชเพื่อบาเพ็ญศีลบงเพ็ญ ส, สมาธิและปัญญาเราก็จะสามารถ บรรลุเป็นพระสาวกได้เช่นเดียวกันกับพระสาวกทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นเราได้นอกจากการไม่ปฏิบัติของเราเท่านั้นถ้าปฏิบัติแล้วจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ผลไม่ได้เกิดจากความปรารถนาผลไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แต่ผลเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการคือทำบุญลกบาปและชำระใจให้สะอาดโดยสุดด้วยการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทั้งหลายที่มีอยู่ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็รักษาศีล ให้บริสุทธิ์แล้วก็เจริญสติเพื่อจะได้นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิได้แล้วก็ให้พิจารณาทางปัญญาต่อไปให้พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาคืออนิจจงคือความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับอนัตตาก็คือการไม่มีตัวตนในสิ่งต่าง เช่นร่างกายนี้ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นเพียงเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองมีใจผู้สั่งการสั่งให้ทำอะไรต่างๆพอร่างกายนี้กับใจขาดการติดต่อกันร่างกายหยุดทำงานร่างกายก็จะกลายสภาพไปสู่ดินน้ำลมไฟต่อไปไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราต้องพิรณาอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะถ้าอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเกิดพอรู้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา แต่เราสามารถดับความทุกข์ทรมานใจเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติทำทั้งสามประการนี้คือทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญปัญญาใจของเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอด มีความสุขไปตลอดท่ามกลางการเกิดการดับการเสื่อมของสิ่งต่างๆแต่จะไม่มีปัญหาไม่มีผลที่จะมากระทบกระเทือนกับจิตใจของเราได้เลยเพราะเรามีสรณะมีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า น, นี่เองนี่แหละคือหน้าที่ของพวกเรา ที่พวกเราจะต้องทํากันคือสร้างสารณะขึ้นมาภายในใจให้ได้ผู้อื่นสร้างแทนเราไม่ได้เหมือนการรับประทานอาหารผู้อื่นรับประทานอาหารแทนเราไม่ได้เราต้องรับประทานเองเราต้องสร้างสารณะขึ้นมาเองด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้ท่านกําลังสร้างสารณะขึ้นมาที่ใจ ขอให้พยายามทำให้มากขึ้นไปตามลำดับจนทำได้อย่างเต็มที่แล้วจาระณะที่เพึ่งนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุ้สมผลบุญที่ท่านได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกร า, างปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากรเธอ